จะทำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตายถ่าว่าคนอื่นตายมางอีกอย่างหนึ่งดลยสามารถตายตายถ้าคนอื่นตายก็ยังหัวเราะไดนะ้แต่พอมาอยู่ใกล้คนใกล้ตัวเองตายน่ยหัวเราจะจะไม่ออกพอมาถึงตัวเองจะตายซะนั้นโอ้เจนี่ไม่รู้จะความทุกข์ที่สุดเลยไม่มีความทุกข์อะไรยิ่งกว่าความตายมรณะภัยจะมาถึงนี่แหละพระพุทธเจ้า ท่านเตือนพวกเราท่านทางหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมพร้อมให้คิดเอาไว้ก่อนถ้าคนคิดไว้ก่อนแล้วนั่นะถึงจะมีมรณะภัยเข้ามาถึงก็ยังมีที่หลบให้ข้าว่ายังทำใจได้พอได้คิดไว้แล้วได้เตรียมการไว้แล้วได้สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วได้ทำคุณงามความดีไว้พอสมควรแล้วถึงจะจากพลกนี้ไป ถ้าจะตายแล้วศูนค่ข้าก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนไม่ได้เสียเปรียบใครพอตายแล้วศูนย์ก็ศูนไปแต่ถ้าตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพุทธศาสนาหรือตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนว่าตายแล้วเกิดข้าก็ได้ทำความดีไว้พอสมควรก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหนข้าไม่ได้ทำความชั่วอย่างอื่นข้าก็ทำความดีมาโดยตลอดสม่าเสมอ ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนข้าพเจ้าก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมในความประพฤติของข้าพเจ้าอันนี้ก็าเราก็มีความอุ่นใจทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีใส่ตัวเองเป็นเครื่องอุ่นใจจะไปนักสถานที่ใดจนวาระสุดท้ายก็ยังอุ่นใจอยู่่างั้นกะนเพราะคุณงามความดีคุ้มครอง แต่ทางว่าคุณงามความดีไม่มีในจิตในใจใจมันเหี่ยวแห้งมันอับเฉามันแห้งในจิตในใจแต่บางคนยุคนี้สมัยนี้ก็เคยได้ยินผู้ที่มาพูดให้หลวงพ่อฟังก็เคยได้ยินบอกว่าผมได้ยินคนพูดเรื่องเข้าวัดเข้าวาไปวัดไปวานผมผมก็ได้ได้ยินแล้วผมก็ฟังฟัง แต่ตามไม่จริงในใจของผมเองถึงผมจะมาวัดก็เถอะผมก็ยังไม่เค้ดว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นมาก เ, เขามาเพื่อการศึกษาก็จริงอยู่แต่มาเพื่อการศึกษาแต่ว่าไม่จําเป็นเพราะเหตุไรเพราะเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรครอบครัวของเราก็มีความสุขตามอัตภาพการเป็นอยู่ของเราก็ไม่เดือดร้อนและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อน กับเราด้วยเราก็อยู่ตามเรื่องของเราที่เราเกิดมาหรือว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขตามอัตภาพไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นจะต้องเข้าไปศึกษาเราไปสนใจเรื่องวัดวาศาสนาธรรมะอยู่ตามขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไง ถ้าเขาพูดเพียงแค่นั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่เขาก็ถามความเห็นของเราเพราะว่าเราอยู่ในเป็นพระเนี่ยอยู่ในป่าดงพงไพ่อีกต่างหากอยู่ในที่อันตรายอีกต่างหากอยุดใกล้ต้นไม้ฝงอยู่ในปา่าบางองค์จิ้งอยู่มากกว่านี้อีกมีสัตว์สารสิงออกมีงูมีอสรพิษอีกเขากา็ทำไมมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นจ ะ, จะจาเป็น อันนี้ถ้าเขาไม่ถ้าเขาพูดแต่ความเห็นของเขาเราก็คงจะเฉยนะแต่ในเมื่อมาเขามาถามความเห็นของเราเนะี่ยบอกท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องแสดงความคิดเห็นฮะหลวงพ่อก็บอกว่าใช่ถ้าคิดแบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่จําเป็นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าหรือพระหันสาวก ที่ท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกในวัฏฏะสงสารที่ถึงพระนิพพานไปแล้วท่านว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกเนะี่ยถึงจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เหมือนมีความสุขเหมือนหมูอยู่ในเลา้าคือหมูอยู่ในเล้าในกรงเนะี่ยเขาเลี้ยงหมูไว้เขาไม่ให้มันไปที่ไหนมันอยู่ในกรงมันอยู่ในเลา้านะที่แคบบางที่กว้างบางที่คนมีเงินเขาด ให้มันอยู่กว่างๆหน่อยจากนั้นเขาก็อาหารมาให้มันกินน้ำมาให้มันกินลดน้ำล้างกลงอาหารอุดมสมบูรณ์เพื่อจะให้หมูมันโตโตตัวเร็วอาหารดีๆเขากเอาผลมาให้มันกินเพื่อเลี้ยงหมูหมูกินแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่เห็นจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็มีความสุขอยู่แล้วอันนี้ก็คือความคิดของของหมู แต่มันจะคิดอย่างนั้นหรือมันคิดอย่างนั้นก็เถอะแต่เราดูแล้วอาการของมัน่มันไม่กระตือรือร้นมันไม่กระเสือกกระสนไม่ไม่ทําอะไรมันก็กินแล้วกันนอนของมันมันก็คงจะมีความสุขตามอัตภาพของมันก็ะมังที่เรามองดูเนี่ยแต่นี้ตามไม่จริงพอมันสุกขนาดหนึ่งมันได้ขนาดหนึ่งพอพอมันได้ขนาดแล้วถึงนั่นแหละที่มันถึงทุกทรมานจริงๆก็คือพญามัจจุราชก็คือเจ้าของของหมูน่ะ เออใหญ่ได้ขนาดแล้วเอะสมควรจะขึ้นตายช่างขายแล้วทีนี้เนี่ยเขาไปจับหมูออกจากมากรงหมูก็คงจะไม่รู้อีกทําไมตะก่อนทําไมให้ความสุขเอไม่ทําอย่างนี้แต่คราวนี้ทําไมทารุณทีงกว่า น, นี้จับหมูยัดเข้าไปในกรงอีกทีให้มันแคบขึ้นเอถ้าไม่ขึ้นไปก็ทั้งเตะทั้งถีบทั้งเตี๋ตอีกทีเอาทําไมมันถึงขนาดนี้ตะกอนทาไมไม่เป็นอย่างนี้ก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันฮะเอผลในสุด เนีพอเขาไปช่งชางใช้ตาช่างพอตาช่างเสร็จแล้วเขาเอาเข้าโรงน่ะเห็นนี่แหละถึงจุดนั้นกันละคอเขาทุบหัวนะครับมีดเขาเชือดคอนะนะั่นน่ะหมูจึงรู้ว่าโอ้โหความสุขที่ผ่านผ่านมาที่อยู่ในเล้าในกรงนะนะั่นน่ะกับมรณะภยัยมันเทียบกันไม่ติดมันคนละเรื่องกันเลยฮนงะหมูจะรู้ได้พลนิสูรเขาไปแล้วเนี่ยหนีออกจากร่างไปแล้วบิญยาณดวงนั้นนี่แหละ ความสุขของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้ความสุขมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยธรรมดานะแต่คือความสุขทั่วๆไปแต่มรณะภัยที่จะถึงพวกเรานะั่นในอนาคตนะมันมหาศาลถึงใครจะพูดหรือไม่พูดก็ตามถึงหลวงพ่อกําลังพูดอยู่นี้ก็เถอะหลวงพ่อก็ดีไม่ไม่พ้นจุดนั้นเหมือนกันเพราะนั้นถึงจุดนั้นแล้วไม่มีใครที่จะ ได้เปรียบเสียเปียบกันเสมอภาคกันหมดคือมรณะภัยแต่ทําไมลืมทำไมจึงพูดเพราะในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าให้ระวังไว้จุดนั้นเป็นจุดที่อันตรายมากเป็นจุดที่หักเหมากเป็นจุดที่ทุกมากเป็นจุดที่ตกต่ํามากหรือเป็นจุดที่ไปสูงได้เพราะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่คนที่จะสอบตกหรือที่จะสอบได้ จะได้ชั้นได้ภูมิหรือจะไปตกต่ําคือจุดนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าลูกพระรหานสาวกหรือทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ใหเตรียมพร้อมให้คิดไว้ก่อนมรณะนังเมพวิสติตัวนี้ต้องถึงกับทุกคนแต่ถึงมาถึงแล้วให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ใยความประมาทตั้งแต่เนิ่นๆให้บําเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่า เราจะต้องถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วร่างกายสังขารร่างกายทุกคนแตกตายแน่นอนไม่เป็นอื่นแต่นามธรรมคือตัวดวงจิตใจนั่นคือตัวจิตใจตัวผู้รู้ที่ความรู้รู้ตัวรู้รอย่างนั้นอะ่ะจะออกจากร่างไปเมื่อออกจากร่างแล้วเราทําคุณงามความดีหรือว่าทําความชั่วไว้ในอดีตมันจะวิ่งเข้ามาเป็นญาณและเป็นพาหนะ หรือว่าเป็นเครื่องขับขี่ของใจดวงนั้นถ้าว่าใจดวงนั้นทำความชั่วก็คงจะเป็นตำรวจทหารเข้ามาพาไปล็อกตัวพาไปไปตกนรกหมกไหมแต่ถ้าว่าใครทำคุณงามความดีบุญกุศลเข้ามาเป็นเครื่องอานวยความสะดวกอาจจะเป็นหวดยานพานะพาจิตใจหปิญญาตรงนั้น ไปสู่สุขติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบทเท ว, วดาอินพรหมไปที่ไหนก็ได้จนถึงว่าหมดกิเลสแปลว่าตัดกิเลสแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปเลยเมื่อออกจากร่างนี้แล้วนะเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจนันเน้นหนักเรื่องใจเป็นสำคัญเรื่องร่างกายเป็นมาอย่างไงขี้ไลขี้เล หนกตาบอดอันนั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติเราตกแต่งได้ยากตกแต่งได้นิดหน่อยแต่ว่าบุญแต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยแต่งได้แต่งให้ถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละจะรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ควรไม่ควรทำสิ่งนี้ควรพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งนี้เป็นบาปอกุศล อันนี้ตกแต่งได้ใจนำมาธรรมเนี่ยตกแต่งได้แต่ส่วนร่างกายนั้นตกแต่งไม่ได้ตกแต่งได้พอประมาท ส, สัญญกรรมตกแตง่งนะร่างกายแต่จิตใจนั้นตกแต่งให้เป็นอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาสกทาคานาคาอรหันได้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาถึงเน้นถึงนามธรรมไงนามธรรมคือตัวนึกคิดตัวใจนเนี่ยที่จชะชําระจิตใจให้ออกจากกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะได้ เพราะนั้นท่านจึงสอนว่าแนะนำอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตัวที่นำพาไปเกิดนะั่นคือตัววิญญาณคือนามธรรมแต่ร่างกายนะั้นแตกสลายในที่สุดชีวิตของพวกเราอย่าไปคิดว่ามีความสุขถ้าคิดความสุขกเหมือนความสุขหมูยอยู่ในเล้าอีกสักวันหนึ่ง เราจะหาความสุขที่ว่าความสุขนั้นหาไม่เจอเพราะความทุกข์เข้ามาแทนที่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราคิดดูก็แล้วกันอย่างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยแต่พอวาระสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลอยู่ในห้องไอซีูพอเข้าไปดูแลหมดหมดสภาพจริงๆมันหมดสภาพเพราะอะไรเพราะทำให้ตัวหมดสภาพอ่ เพราะมันไ ม, ไม่มีที่อื่นที่จะไปแล้วมันอยู่ในจุดนั้นแล้วมีแต่คอยท่านเองพวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานถ้าว่าไม่เห็นลูกไม่เห็นหลานเข้าไปยิ่งว่าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะฉะนั้นหมอทั้งหลายและว่าเวลาเห็นปู่ย่าตายายใครก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยพวกลูกหลานทั้งหลายควรจะเข้าไปเยี่ยมและให้กําลังใจและอย่าไปพูด ในสิ่งที่เป็นหายนะหรือจะไปพูดอย่าไปพูดในสิ่งที่ทําให้เขาเหล่านั้นไม่สบายใจี่พูดในสิ่งที่ให้เขาสบายใจอันนี้ก็คือหมอหมอแนะนำเหมือนกันแต่ในหลักของพุทธศาสนานไม่แล้วแนะนําตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเถอะถ้าถึงจุดนั้นแล้วแนะนําไม่ได้แหละแนะนําไม่ทันเหมือนกันเถอะมันใจมันตกแล้วถ้าว่าแนะนําในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยเวลานั้นะ มันป่วยหนักแล้วหนิแนะนําให้กินขี้หมาก็กินวนั่นเนีะแนะนําให้กราบไหว้แล้วก็กราบหมดให้ทําอะไรทำหมดเพราะกลัวตายคนี่แหละแต่ถ้าว่าคนได้คิดไปก่อนแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นอจิตใจจะเข้มแข็งถึงคราวแล้วเหรอถึงคราวเราแล้วเหรอถึงข่าวเราแล้วเขาเราก็ไปสิเพราะเหตุอะไรเพราะปู่ย่าตาทวดของเราก็ไปก่อนเราแล้วเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเหรอถึงคราวแล้วแล้วเราก็ต้องไป อันนี้แปลว่าผู้ได้ฝึกขัดทางจิตใจไว้แล้วแต่ผู้ไม่ได้ฝึกขัดอย่างก็อย่างว่าเนะี่ยใจมันอ่อนนะเนีมันกลัวตายเนี่ยเขาแนะนําให้ทําอะไรก็ทําหมดอย่างที่เขาบอกแต่จะหายหรือไม่หายมันก็ไม่หายเลยตายทุกคนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งพระทั้งพวกเราทุกคนทั้งหลวงพ่อด้วยนะให้พวกเราเตรียมพร้อมเนออย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเมื่อวานหลวงพ่อไปเห็นเนมรณะภัยมาแล้ว ไปเมื่อวานะตอนเย็นกลับมาเมื่อคืนกับสองทุ่มไปเห็นญาติโยมเนะ่ยเคยมาวัดมาวาของเรานะอยู่อําเภอน้ําสมนะ่ยพระองค์พอเห็นแล้วก็เทือนใจพอสมควรมรณ ะ, ะภัยนะพรผะนั้นจึงนํามากล่าวมาบอกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกคนนะอย่าตังอยู่ในความประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแนวความคิดของพุพทธศาสนาแนวความคิดของพระรหัสสาวก ความสุขในโลกนะเหมือนความสุขหมูอยู่ในเล้านะคิดดูก็แล้วกันนะจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะคิดิ ด, ดูดูสิไปนั่งภาวานาแต่คนยังค่อยคิดหนะลวงพ่อว่าจริงนะจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันสาวกที่ท่านที่ท่านบอกกล่าวไวนะนะน้นะรับพรในเทวนาโมตนาให